ทรงสอบถามพระชนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระชนะว่าชนะทราบว่าเธอเมื่อถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงกลับนิ่งเฉยทำสงให้ลำบากจริงหรือท่านพระชนะทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตาหนีว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอเมื่อถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงจึงนิ่งทำสงให้ลาบาก เล่าโมฆะบุรุษการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตําหนีแล้วได้ทรงแสดงธรรมมีกาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงลงวิเหสก ก, กรรมแก่ภิกษุช น, นะภิกษุทั้งหลายสงพึงลงวิเหสก ก, กรรมอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงสาบด้วยยติทุติยกรรมมาวาจาว่า